เมื่อพระมหาสัตตรัตรคุณธรรมของพระองค์อยู่อย่างนี้พระปีติได้เกิดขึ้นแล้วแต่นั้นเมื่อทรงเปล่งพระอุทานด้วยกาลังพระปีติจึงตรัสว่าความหวังผลของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมสำเร็จแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สาเร็จแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดนายสารถีประโยชน์โดยชอบของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อน ย่อมให้ผลแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วออกบทแล้วจะมีภัยแต่ไหนเล่าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าความหวังผลพลาสาวะความว่าพระมหาสัตว์ตรัตอย่างนี้เพื่อแสดงว่าผลแห่งความมุ่งหมายของเราผู้ไม่รีบร้อน16ปีจึงสำเร็จคำว่าเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้ว วิปักะพรหมจริโยสมิได้แก่มีความปรารถนาถึงที่สุดแล้วคำว่าประโยชน์โดยชอบย่อมให้ผลแน่นอนสัมมทัตโถ ว, วิปัจจติความว่าประเภทคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นซึ่งเป็นกิจที่พึงทมย่อมสำเร็จโดยชอบคือโดยอุบายโดยการนายสารธีกราบทูลว่า พระองค์มีพระดํารัไภยยเราะและมีพระวาจาสละสลวยอย่างนี้เอตุไฉนจึงไม่ตรัสในสํานักแห่งพระชนกและพระชนนีในการนั้นเล่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ามีพระดํารัไภเราะวักคุกกะทโธได้แก่มีพระดํารัตอ่อนหวานคือมีพระดํารัตสละสลวยแต่นั้นพระมหาสัตรัตว่า เราเป็นคนง่อยเปลี้ยเพราะไม่มีที่ต่อก็หาไม่เราเป็นคนหนวกเพราะไม่มีช่องหูก็หาไม่เราเป็นใบเพราะไม่มีลิ้นก็หาไม่ท่านอยากเข้าใจว่าเราเป็นใบ้เราระลึกชาติบางก่อนที่เราเสวยราชสมบัติได้เราได้เสวยราชสมบัติในการนั้นแล้วต้องไปตกนรกอันกล้าแข็ง เราได้เสวยราชสมบัติในการนั้น20สิปีต้องหมกไหมอยู่ในนรก80ดห 0,000 ื่นปีเรากลัวจะต้องเสวยราชสมบัตินั้นขอชนทั้งหลายยาพึ่งอภิเศกเราในราชสมบัติเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พูดในสำนักของพระชนกและพระชนณีในการนั้นพระชนกทรงอุ้มเราให้นั่งบนพระเผลาแล้วตรัสสั่งข้อความว่า จงฆ่าโจรคนหนึ่งจงจองจำโจรคนหนึ่งจงเอาหอกแทงโจรคนหนึ่งแล้วเอาน้ำแสบราดแผลจงเสียบโจรคนหนึ่งบนหลาวตรัสสั่งเจ้าหน้าที่นั้นอย่างนี้เราได้ฟังพระวาจาอัญญาบคายที่พระชนกตรัสนั้นจึงกลัวการเสวยราชสมบัติเราไม่ได้เป็นใบก็ทำเหมือนเป็นใบมิได้เป็นง่อยเปลี้ยก็ให้คนเข้าใจว่าง่อยเปี้ย แล้งนอนเกลือกกลิ้งอยู่ในปัสวะและอุจจาระของตนชีวิตนั้นเป็นของลำบากเป็นของน้อยทั้งประกอบด้วยทุกข์ใครเล่าจะอาศัยชีวิตนี้ทำเวรด้วยเหตุการณ์บางอย่างใครเล่าจะอาศัยชีวิตนี้ทำเวรด้วยเหตุการณ์หน่อยหนึ่งเพราะไม่ได้ปัญญาเพราะไม่เห็นธรรม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 อสันทิตาได้แก่เพราะไม่มีที่เชื่อมต่อคําว่าเพราะไม่มีช่องหูอโศตะตาได้แก่เพราะไม่มีโสดคําว่าเพราะไม่มีลิ้นอชิวหตาความว่าเรานั้นเป็นใบ้เพราะไม่มีลิ้นสํ า, ร า, ราสหรับเคลื่อนไหวไปมาก็หามิได้คําว่าในใดยัตถะความว่า ได้เสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีนั่นแลในชาติใดคำว่าต้องไปตกปาปัดถังความว่าพระมหาสัตว์ตรัส ถ, ถึงความชั่วว่าพระองค์ได้ตกมาแล้วคำว่าพึงอภิเศกในราชสมบัติรัชเชพิเสจะยุงได้แก่พึงอภิเศกในราชสมบัติคำว่าให้นั่งนิสีทิตวา ได้แก่ให้นั่งแล้วคําว่าตรัสสังข้อความอัฐานุสาสติความว่าตรัสสังข้อความผิดคําว่าเอาน้ําแสบราดแผลคาราปตัดชกังความว่าจงเอาหอกแทงแล้วราดน้ําแสบที่แผลคําว่าจงเสียบอุเพทะได้แก่จงยกขึ้นคือจงเสียบ คำว่าตรัสสั่งเจ้าหน้าที่นั้นอย่างนี้อิจัสะอนุสาสติความว่าตรัสสั่งข้อความแก่มหาชนนั้นอย่างนี้คำว่าเรานั้นตายาหังความว่าเราได้ฟังพระวาจาเหล่านั้นคำ ว, ว่าก็ให้คนเข้าใจว่าง่อยเปรี้ยปักขะสัมมโตวความว่า ได้เป็นผู้อันชนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นง่อยเปลี้ยคือเป็นเหมือนคนง่อยเปลี้ยคำว่าอยู่อัจฉาหังความว่าอยู่แล้วคือเราอยู่แล้วคำว่าเกลือกกลิ้งสังปริปลุโตความว่าเป็นผู้เกลือกลิ้งคือจมลงแล้วคำว่าเป็นของลำบากกระสิรังได้แก่เป็นทุกข์คำว่า เป็นของน้อยปริตตังได้แก่น้อยนิดคำนี้มีอธิบายว่าแน่นายสารถีเพื่อนรักชีวิตของสัตว์ทั้งหลายแม้เป็นทุกข์แต่ถ้าตั้งอยู่นานก็ควรปรารถนาแม้นิดหน่อยแต่ถ้าสบายก็ควรปรารถนาแต่ชีวิตนี้ทั้งลำบากทั้งนิดหน่อยทั้งเล็กน้อย และยังประกอบคือเข้าไปทรงไว้พร้อมด้วยทุก์ในวัตตะทั้งสิ้นทีเดียวคือถูกชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาทย่ำยีคำว่าโกมังตัดคำเป็นโกอิมังคำว่าเวนเวรังได้แก่เวนห้าอย่างมีปานาติบาตเป็นต้น คำว่าบางอย่างเกณจิได้แก่ด้วยเหตุไรๆคำว่า ร, รมกายกราถะได้แก่พึงกระทรําคำว่าด้วยปัญญาปัญญะได้แก่ด้วยวิปัสนาปัญญาคำว่าธร ร, ธรรมมัตสะความว่าเพราะไม่เห็นโสดาปติมัค ระมหาสัตว์ได้ตรัสอุทานคาถาซ้ำอีกเพื่อประกาศความประสงค์ไม่เสด็จกลับไปพระนครเป็นมั่นคงสุนันทสารถีได้ฟังดังนั้นคิดว่าพระกุมาร น, นี้ทิ้งสิริราชสมบัติเห็นปานนี้เหมือนทิ้งซากศพไม่ทำลายความตั้งใจมั่นของพระองค์เข้าป่าด้วยหวังว่าจักผนวดเราจะต้องการอะไรด้วยชีวิตอันทุกยากนี้ แม้เราก็จักบวชกับพระกุมารนั้นคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถาว่าข้าแต่พระราชบุตรแม่ข้าพระองค์ก็จักบวชในสำนักของพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดตรัสเรียกให้ข้าพระองค์บวชด้วยเถิดขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์พอใจจะบวชบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าในสำนักของพระองค์ตวันติเก ได้แก่ในสำนักของท่านคำว่าได้โปรดตรัสเรียกอวัยั ส, สุได้แก่ขอพระองค์โปรดตรัสเรียกข้าพระองค์ว่าเจ้าจงมาบวชเถิดแม่นายสารถีทูนวิงวอลอย่างนี้พระมหาสัตว์ทรงพระดำริว่าหากเราให้นายสารถีบวชในบัดนี้ทีเดียวพระชนกพระชนนีของเราก็จะไม่เสด็จมาในที่นี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมจะมีแก่พระชนกและพระชนนีทั้งสองม้ารถและเครื่องประดับเหล่านี้ก็จะพินาศแม้ความครหาก็จะเกิดขึ้นแก่เราว่านายสารธีนั้นถูกพระราชกุมารผู้เป็นยักษ์กินเสียแล้วทรงพิจารณาเพื่อจะเปลื้องความครหาพระองค์และพิจารณาถึงความเจริญแห่งพระชนกและพระชนนี เมื่อทรงแสดงมา้ารถและเครื่องประดับทำให้เป็นหนี้ของนายสารถีนั้นจึงตรัสคาถาว่าแน่นายสารถีท่านจงไปมอบคืนรถและเป็นผู้ไม่มีหนี้เถิดเพราะผู้ไม่มีหนี้จึงบวชได้การบวชนั้นท่านผู้สวแสวงหาคุณอันยิ่งสรรเสริญแล้วบรรดาคําเหล่านั้นคําว่านั้นเอตังได้แก่ การกระทำการบรรพชานั้นคำว่าท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งสันเสริญแล้วอิสีพิวั น, นิตังความว่าท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสันเสริญแล้วนายสารธีได้ฟังดังนั้นคิดว่าเมื่อเราไปสู่พระนครถ้าพระกุมาร น, นี้จะพึงเสด็จไปที่อื่น พระราชบิดาได้ทรงสดับข่าวนี้แล้วสเสด็จมาตรัสว่าจงแสดงลูกของเรามิได้ทอดพระเนตรเห็นพระกุมานนี้จะพึงลงราชฐานแก่เราเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวคุณของตนแก่พระกุมานนี้จักถือเอาคำปฏิญญาเพื่อไม่สเสด็จไปที่อื่นคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถาสองคาถาว่าข้าพระองค์ได้ทําตามพระดํารัส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 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระดารัสใดที่พระองค์ตรัสแล้วแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้กระทำตามพระดารัสนั้นแล้วพระองค์อันข้าพระองค์วิงวอนแล้วควรจะกระทำตามคำนั้นเท่านั้นแต่นั้นพระมหาสัตตร์ตรัสว่าแน่นายสารถีเราจะกระทาตามคาของท่านที่ท่านกล่าวกับเรา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 เรากระทําตามคํานั้นของท่านคําว่าจงกลับไปเถิดเพื่อนรักเอหิสัมมะนิวัตตัสุความว่าแน่นายสารถีเพื่อนรักท่านจงไปในที่นั้นจงรีบกลับจากที่นี้ทีเดียวคําว่าท่านเป็นผู้ที่เราสั่งแล้วจงกราบทูลวุตโตวัชชาสิความว่าท่านเป็นผู้ที่เรากล่าวสั่งแล้ว เพิ่งกราบทูลถวายการบังคมของเราว่าเตมิยกุมารพระโอรสของพระองค์ถวายบังคมพระบาทยุคนของพระองค์ครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วพระมหาสัตว์ได้น้อมพระองค์ดุดลำต้นกล้วยทองคำพินพระพักไปทางกรุงพารณสีถวายบังคมพระชนกและพระชนณีด้วยเบญจางค้ประดิษฐ์แล้วได้ประทานข่าวสารแก่นายสารถี